หน้าร้สิบหกศนย์ลบสี่เบียกบนเลยพื้นเนี่ยภาพผู้นั่งก็เปียกมากกว่านี่ก็มีดอกหนาวนะแต่ว่าแต่ก่อนเราก็เจ็งกว่านี่ยังนุ่มแล้วนี่แก่แล้วก็หนังจาบไม่อ่อน ามาวา่ากูทักกูเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ปฏิบัติกันอยู่ใกล้ๆเรานี่ก็มีมีผู้โทรมานิมนต์ชองสามแห่งไม่รู้จะไปได้ไหมเนี่ย <c oughs> ก็่อยากเดินทางนะตอนนี้นะเดกลจะปีใหม่เนี่ยวุ่นวายเหลือเกินบนถนนแต่ก็อยากไปบอกไปสอนคนแล้วางานปฏิบัติทำงานบอกกันตรงๆไม่มีพิธีหรือตรงอะไรในเหมือนงานตื่น ปฏิบัติธรรมก็คือการมีสติคือมันตรงอย่างนี้สติไปในกายเอาลงไปตรงลงไปมีสติไปในกายอาจจะเป็นความรู้สึกออกบางอันในๆ ว, ว่ากายถือว่ากายไม่ใช่จัตุคคลตัวตนเราเขา มันก็รู้จักทะุงหน่อยๆน่อยหนึ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็สักว่าสุขว่าทุกข์ไม่ใช่จดบุคคลตนเราเขามันก็ไข อ, ออกมาได้ยิ่งกิจที่มันคิดมันก็สักว่ากิจไม่ใช่ัดบุคคลตนเราเขา <c oughs> เป็นความคิด ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจง่ความคิดที่ตั้งใจก็ตามสักว่าเฉยเฉยไม่ใช่ตัวตนอะไรแต่กอไม่รู้อะไรก็คือตัวตนหมด <c oughs> กายก็เป็นตัวเป็นตนยิ่งเวลามีอาการเกิดขึ้นกับกอดก็มีเป็นตัวเป็นตนร้อยเปอร์เซนต์กูหนาวกูร้อนกูปวดกูหิวกู อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเหนนี่มันไม่เป็นไปอย่างนั้นมันหยดุดไม่เป็นกูขึ้นมาไม่ได้เห็นอาการที่เกิดขึ้นเกิดกิตกับกายที่เป็นอ า, ารมก็ดีง่วงควงง่วงเหงา ห, อ, หนอนก็ดีเกิมลงเล่สงสัยก็ดี หรือเป็นความสงบความพู่งซ้านก็ดีมันสักแต่ว่าไม่ใช่เราอีกแล้วออก็เบานะพมันเห็นไปอย่างนี้ก็เห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามสรุปลงตัวอะไรทีเดียวตอบได้แม่นยำชัดเจนไปนี่คือรูปนี่คือนาม สิ่งที่มันเกิดเกิดลูกความไม่ต้องเรียกว่าสุขวัตทุกแล้วเรียกว่าอาการเป็นอาการของที่มันเป็นธรรมชาติมันมีธรรมชาติมันมีอาการตันลูกนามนี้แน่นอนที่สุดใครใครก็มีเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดลงตัวทันทีแล้วตอนนี้ รู้จักเรารู้จักเขา <c oughs> ได้ทันทีเป็นคาตอบที่ที่ไม่ผิดเลยเ <c oughs> สหยคนที่สุดในโลกนี้มีแต่รูปกำนามรูปนามไม่ประมีการกระทำมันไม่เรียกว่ารูปทำนามทำมันทาอะไรรูปนี้นามนี้มันทำอะไรนามดี มันทำดีมันทำชั่วมันเป็นรูปมันทำนามมันทำแต่ก่อนไม่มีสติแล้วแต่รูปแล้วแต่แล้วแต่กายแล้วแต่ใจมันจะทำอะไรก็เรียกว่ายอมทั้งหมดมันสุขก็เป็นสุขไปกับมันมันทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปกรมมันนาทีใช้ไม่เป็นสมัยก่อนติด อะไรต่างๆเยอะแยะไปเลยทั้งๆที่ไม่จําเป็นแม้แต่ความคิดก็ติดยไหลไปทางไหนก็ไหลไปทางนั้นติดแล้วก็ติดมากหลายอย่างติดลูกติดเม้ยติดการติดการติดโลกติดรถติดเสียงพ่กคณเข้าไป พอเห็นเป็นรูปทํานามทาแล้วมันไม่ติดมันเรียกว่างแต่ก่อนมันกำมีแล้วก็กม เ, เ, เป็นไปเลยแบบ น, นี้พอเห็นเป็นรูปทํานามทามันไม่กำเหมือนเมื่อก่อนมันบาง <c oughs> มันก็บอกไปเลยเลรูปนามเป็นบอก รูปทมนามทรมันบอกมันก็ูกอยู่ในความไม่เที่ยงรูปนามนี้ไม่มีใครป้องกันไม่มีใครเป็นใหญ่มันแล้วบดี้ต่โกนมันโลนคืออาจจะเป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์ อะไรที่มันเกิดขึ้นกับรูปนามปรับกายกับใจมันเป็นทุกข์เป็นสุขบางทีก็แช่นความหิวมันเป็นทุกข์พราไม่เห็นเป็นรูปนามแล้วมันไม่ใช่ทุกข์เลยมันเป็นธรรมของรูปที่มันรู้จักหิวคน ม, มันธรรมของรูป ความธรรมชาติของรูปความเวลาการของรูปเป็นเช่นนั้นไม่เอามาเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วดีตัวออกมาแต่ก่อนมันเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอากาศที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามกับกายกับใจ ว่าไม่เห็นเป็นรูปธรรมนามธรรมเห็นเป็นนาการเห็นเป็นธรรมชาติของรูปของนามเห็นเป็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเวนความเป็นทุกข์เข้าใจเรื่องรูปตรืนามให้ความเป็นธรรมมีความเป็นธรรมมีความเป็นกลางเกิดขึ้นแล้วตรงเนี้ย เหมือนกับคนทะเลาะกันสองคนมีความเป็นกลางให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยสติตัวนี้นะสติสมัมปชัญญะเนี่ ย, ญญ เ, ยเหมือนหนังที่เราสวนพระสูตรเมื่อกี้นี้พร้อมผู้มีสติมันเป็นอะไรเห็นอะไรเกิดขึ้นเป็นอะไร เช่นนั่นะมีความเป็นธรรมเกิดเพื่อไม่เกิดเกิดเพื่อหมดไปไม่ใช่เกิดพาอคูณเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนมันติดสุ ก, ก็ติดทุกข์ก็ติดติดนานนะเป็นข้ามปีข้ามเดือนก็มีอันสุขอันทุกข์ มันนี่ไม่ติดเหมือนทิ้งก้นขวดใส่ฝาผนังธรรมดาธรรมดาไม่ติดเลยต่างเก่าเห็นลูกธรรมเห็นนามธรรมเห็นอะไรที่มันบอกไปเป็นสายไปแต่เป็นเชื่อโลกก็ ตามเห็นสมุธฐานของโลกรักษาโลกหายหมอที่เก่งคือรู้สมุธฐานของโลกอันการใช้ยาอาจจะไม่แตกต่างกันแต่ว่าสมุธฐานของโลกเนี่ยสำคัญนำมาเห็นรูปเห็นนามเห็นสมุธฐานของโลกของนามทั้งหมดเลยเกลี้ยงไปเลยนะี่ ในเที่ยงเป็นทุกอย่างไรในเช่ตัวตนอย่างไรธรรมชาติจากไรอาการอย่างไรไปกันจนหมดทะลุทะลวงไปทะลุทะลวงไปเป็นสายไปสายกุศลไปทางหนึ่งสาย อ, อกุศลไปทางหนึ่ง มันสิ่งที่ผิดมันก็บอกสิ่งที่ถูกมันก็บอกสิ่งเป็นทุกข์ก็บอกสิ่งไม่เป็นทุกข์ก็บอกมาเป็นคู่กันเลยสนุกเหมือนกันนั่งรู้ถึงโอกาสมันสะดวกมันก็นั่งรู้ไม่ต้องทำอะไรตอนนี้เหมนนมีสติผู้มีสติเหมือนพรามณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่นั่งอยู่อะไรเกิดขึ้นมาสะดวก ในความทุกข์ก็สะดวกในความโกรธความโลกความหลงสะดวกมันเห็นแค้งไม่ขวางกันมันทะลุความโกรธมันเป็นชีวิตชีวาสนุทลุความทุกข์เป็นชีวิตชีวาทะลุความหลงเป็นชีวิตชีวามันมากจะ แสดงถึงการหลุดพ้นอย่างจริงจังไม่ไม่กลัวเกิดความกล้าหารในคราวที่มันอน่อนในความที่มันขี้ขาดอ่อนแอกลัวล้นโคัวนี้คิดโน่นคิดนี้แบบนี้มันกล้าหานแก้วกล้า มีพลังมีพลังเขาเขาะมันแค่ได้จริงจริงเปรียบเทียบมีสติมันจะมีอะไรที่มันจะปิดบังไม่ได้เลยควอมหลงไม่จริงขวอมไม่หลงมันจริงเนี่ยมไม่สนุกยังไงตวเวมทุกข์ไม่จริงขวอมไม่ทุกข์เหมันจริงเนี่ย ก็ามโกรธไม่จริงเลยความไม่โกรธมันจริงความอะไรต่างๆลังเลสงสัยไม่จริงความคิดก็ไม่จริงตัวที่จริงมันมีความเป็นธรรมนี่มันถูกต้องอยู่มันเห็นเนี่ยผิดก็เห็นถูกก็เห็นสุข ก, ก็เห็นทุกข์ก็เห็นนี่คือความเป็นจริงนัง่นเป็นรือ้ถอนสมมุติเหมือย่ัง วัตถุอาการต่างๆที่มันเกิดทําให้เกิดสมมุติแต่ก่อมันใช่เราตาไม่ใช่เราหูไม่ใช่เราจมูกลิ้นกายใจใช่เรามันมีตงีงข้างข้ามมีรูปมีรส ม, มีกลิ่นมีเสียงมันใช่เราแบบ น, นี้เราใช่มัน บัดนี้เราใช่มันใช้ได้สำเร็จประโยชน์อันที่มันใช่ผิดมันเป็นสมมุติชอบไม่ชอบตาเห็นโลกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจมันใช่เราบันนี้เราใช่มันเราใช้มัน อันความพอใจหรือความไม่พอใจมันเป็นงานของเราหรือว่างานโชคมันไม่มีมันเป็นสมมติบัญญตัติไม่ใช่ปรมา จ, จ, จรยงแบบนั้นแต่มันไม่จริงแบบนี้เข้นความไม่เที่ยงมันก็จริงแบบไม่เที่ยงมันจะจริงแบบเที่ยงได้ยังไงไม่เสียเวลาเพราะความไม่เที่ยงเอามาเป็นปัญหา แต่ก่อนมันเป็นทุกข์นะก็เห็นเนี่ยมันลื้อโถนจะให้มันจริงยังไงความไม่เที่ยงมันก็ต้องไม่เที่ยงอยู่เช่นนั้นเป็นปัญญานะความทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่เช่นนั้นจะให้เป็นสุขได้ยังไงมีปัญญาตรงนี้ด้วยนี่พรามผู้มีสติเพียนเพ่งอยู่ อะไรเกิดขึ้นก็ย่อมผ่านไปได้ง่ายง่ายจะดวกหมดไปง่ายสติมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นทางไปบุกเบิกเคยพูดอยู่เสมอว่าสติเหมือนใบ ม, มีดรถแท็กอร์สติเหมือนไม่กวาดไม่กวาดผ่านไปที่ไหนหุ่นย่อมออก ใบมีดเราเตร์เตอร์ TER, มันผ่านไปที่ไยนที่นั่นคงเรียบลงหน่อยหน่อยไม่มากก็นหน่อยจิตที่ตามหลังสิตทีตามหลังใบมีดก็ย่อสะดวกกก่อนถ้าใบมีดเป็นออกไปนี่ผู้มีสติพรามผู้มีเพียนแพ่งอยู่สะดวกเพราะมีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ก็มาทาน มันเป็นกรรมฐานมันเป็นที่ตั้งแล้วมันเป็นการทำที่ชอบแล้วการเห็นไม่เป็นเป็นการงานชอบที่สุดเลยหลวงพ่อเทียนสอนอย่างนี้เราก็รู้ลักษณะแบบนี้รู้จากหัวใจของหลวงพ่อเทียน รู้จักหลวงพ่อเทียนให้ให้เรามารู้เรื่องตัวเองก็รู้จักธรมกกธรมะรู้จักธรรมะรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักภาษาบกทั้งหลายเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เหมือนกันหมดพระหุรีพระหูลานุศาสนีทรงส์ศนเรื่องนี้แ น, น่ี่นที่สุด เสวอโบกทั้งหลายก็รูปเรื่องนี้เป็นส่วนมากเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องธรรมชาติเรื่องอาการที่มันมีอยู่กับตัวเราแท้ๆไม่ได้ไปอยู่ไกลอดีตไม่อยู่เป็นไกลอนาคตเป็นเดี๋ยวนี้อันอยู่ใกล้ๆม่จึงทำได้ครมหลงก็ไม่ใช่พ่กนี้ครมหลงก็ไม่ใช่เมื่อวานมันอยู่เดี๋ยวนี้ มันจึงทำได้ด้วยมือของเราเองด้วยกรรมฐานเองมีกรรมฐานเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์อันเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเป็นงานชอบที่สุดเหลือนี่เป็นกรรมฐานเหมือนพระพุทธเจ้าสอนสอบก พาพระสองไปบินธารบดในรุ่มน้ำ ใ, ในในรุ่มน้ำทงขามีเต่าตัวหนึ่งหาจินอยู่หลแถวเรียมน้ำนั่นมีสุนัขป่าวิ่งมาจะมากินเตา่าเต่ามันขดเอาไว้ก็มันเข้าในกระ ด, ดองสุนัขป่าไรกินไม่ได้ พุทธเจ้าเลยชี้ให้พระสงฆ์ดูนี่พระสงฆ์ทังวงเธอพวกเธอจงเหมือนเต่ามีกรรมฐานเป็นกระดองมานไม่มีโอกาสพ่จะทําทำลายได้นี่คือกรรมฐานเป็นอย่างตั้งจริงนะ ตั้งไว้มีสติตั้งไว้ก็เห็นเห็นแล้วก็ไม่เป็นละต่อไปได้เลยทนจากการเป็นเลยเอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ที่สุดเห็นไม่เป็นพ้อจากการเป็นนี่ใบแบบนี่ทางไปแบบนี้ได้เห็นแล้วเป็นสุขเป็นสุขทุกข์เป็ทุ ก, ท ก, ทกไม่ใช่กรรมาฐานนะมันจึงร่วงเกินภาวะเก่า แต่ก่อนเห็นเป็นตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจเป็นผู้พอใจเป็นผู้ไม่พอใจเป็นตัวเป็นตนเป็นภพเป็นชาติแล้วก็เกิดแจ่เจ็บตายในภพในชาติเช่นนั้นถ้ามีภพเป็นชาติแบบนี้ก็ต้องมีเกิดมีเจ็บมีตายอีกหลายภพหลายชาติในควรเก็บยิงก็ต้องเก่บไหนควรเก็บก็ต้องเก็บแต่ในเก็บใน เกิดในรูปในรสในกลิ่นในเสียงเนี่ยมันยังเป็นดากเข้าไม่ได้ลื้อได้ถอนมันก็ต้องมีตรงนั้นอีกจริงว่า <c oughs> น่าจะขยันนะอันกรรมฐมานเนี่ยมันรู้ตัวเองก็เท่ากับรู้คนอื่นจึงอเองินวตูอน ครอบจกกะกาวานในทีเดียวเชื่อคนในโลกเหมือนกันหมดถ้าจะว่าใครก็เคยหลงใครๆก็เคยทุกข์ใครๆก็เคยโกรธใครๆก็เคยเสียใจยเสียใจเพราะคนอื่นทําให้เป็นทุกข์เพราะคนอื่นทําให้เป็นสุขเพราะคนอื่นทําให้มีเหมือนกันหมด ใ ค, ใครก็ไม่อยากให้คนอื่นทาให้ตัวเองเป็นทุกข์มันปฏิเสธไม่ได้ที่มันทําได้จริงๆคือเราคนนี้จะไปห้ามคนอื่นไม่ให้เขาว่าอย่างนั้นไม่ให้เขาทําอย่างนี้เป็นไปได้ยากเราคนนียทําได้เดี๋ยวนี้เลยทีเดียวแต่ห้ามเราได้ป้องกันเราได้มันก็ไม่มีอะไรทั้งหมดเหมือนเสือ เสือมันไล่มันกัดคนเราจะไปฆ่าเสือให้มันตายทั้งโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องป้องกันตัวเราจะให้เสือมันกัดดีที่สุดไม่ต้องไปฆ่าเสือเออในโลกเนี่ยแว่าโลกมันมีรสชาต เหมือนกันแต่เรามารู้ตัวเองนี่มันก็หยุดแล้วเสือไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ทำลายเราแล้วบางอย่างเรานึกว่าจำเป็นเพราะเรามาเห็นเราไม่จำเป็นเลยคลิบจ้อยที่สุดเลยกิลยเลสพันหน้าตัณหา108อยแปดคิบจ้อยมากเหมือนกับว่า เป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องที่ทางผ่านของเราถ้าจะพูดเราเหมือนกับทางที่เราเหยียบไปตรงนี้นะเหยียบไปเล ย, เ, ย, เ, ลยเหมือนธรรมาจากักรธรรมาจักรหมุนไปตรงไหนลาบไปเลยค ม, มงูหลงหมอยความโ ล, มโลความโกรธความหลงธรรมาจักรเหยียบไปนล้วเนี่ยยังจะรู้ว่าจักรแข่งธรรมจั ลาไปเลยล่ะอย่า ง, งเจ้าแสดงธรรมจักรธรรมจักได้เป็นไปแล้วทุกไปกำเบิอบอีกแล้วไม่มีอะไรกำเบิอบอีกแล้วเราจึงได้ชื่อว่าเราตัดสรูปพ่อเฉพาะหน้าแล้วที่มันหมนี่มันหมดไปมันเป็นทางเหยียบไป มีทุกข์มันจึงพ้นทุกข์มีความหลงมันจึงพ้นจากความหลงม่เหยียบไปตรงนี้นะสติไปอย่างนี้นะมีปัญหามันจึงเป็นปัญญาได้เห็นฉิ่เหล่านี้แล้ละไปทางเดียวกับพระเจ้าเห็นความงงเอาหอนอ น, น, นแล้ะทางแล้ถูกทางแล้วเหยียบไปมีสติเหยียบไป อาจจะมีจักทำอยตรงนั้นด้วยเหยียบไปเลยมีก ร, รมมลคะปฏิฆะเกิดขึ้นเหยียบมันไปมานาทิฐีเกิดขึ้นเหยียบมันไปเหยียบเชิงนี้ไปจะเป็นพระอริยะบุคคลชั้นต้นนะถ้าม่เหยียบตรงนี้แหลกลงแค่หน่อยไม่ไม่ไม่ใช่เลยไม่เชีวโอ้ โ, อโล่หงพ่อเหลืองเกลามารยาทหมายถึงคุณธรรมนะ ใครก็เหยียบได้ตรงนี้มันหลงเหยียบไม่หลงเนี่ยใครก็ทําได้เหมือนทุกเหยียบไมเนี่ยมันทุกไม่ทุกเนี่ยใครก็ทําได้เหมือนโกรธเกียบให้มันไม่โกรธเนี่ยใครก็ทําได้ไม่มีอ้างนุ่มหนุ่มสาวนักโกรธฆราวาสาติยอมชาติใดภาษาใดเยียบเหมือนกันละความโกรธก็เหมือนกันน่ะความทุกข์ก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันกิเลสตัณหาเหมือนกัน ศีลก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันเหมือนกันหมดจึงจึงเป็นการกระทำอันเดียวกันเรานั่งอยู่นี่เราฟังเทศอยู่นี่ฟังธรรมอยู่นี่เหมือนกันหมดได้ยินคำพูดเหมือนกันหลง เรพูดถึงความหลงเราก็เคยหลงถ้ามีสตินะเราเคยพูดความไม่หลงเราเคยทําได้แล้วกําลังทําอยู่ด้วยปฏิบัติตามอยู่ด้วยอมันมีนอกจากนี้เวลานอกจากเวลาฟังไปมันหลงโอ้เปลี่ยนหลงไปไม่หลงมีสติก็ใช่ได้ไม่ใช่อยู่ที่นี่เอาไปทํา ธรรมกษ์ักดิทธิแต่ใครยังมีความหลงด้วยมีงานทาอย่าปล่อยทิ้งที่ภาคสาให้มันหมดไปหมดไปในจริงเราหนี้หมดไปนะจึงจะมีอิจฉะแตามีทุกนั่นหละงานของเราเปลี่ยนให้ไปม่ทุกอย่าทิ้งไว มีสติเลื่อยไปบางทีไม่ได้เปลี่ยนอะ่ะเอา้ามีสติเลื่อยไปอย่าไปใช้ใจมันเอากรรมาถามไว้ก่อนกลับมาก่อนอย่าไปมันจะไม่มันก็ไม่มากหรอกหนึ่งคิดทางกายทางใจอันกายอันใจนี่ก็ไม่มากไอ้ทั่วหลง อาวะที่ไม่หล ง, ลงก็เรื่องเดียวกันอีก uh huh. กรรมฐานสติมันเป็นคู่กรณีกับความหลงคู่ปรับกันพอดีพอดีอดทำปับป๊บได้ทันทีเลยไม่ต้องเน้นชามีสติก็เห็นความหลงเจอความหล ง, ลงมีสภาวะที่หลงมีสภาวะที่ไม่หลงตรงพอดีเลยไม่ต้องไปหาที่ใด ยิ่งเรามีกรรมการกระทํามีฐานที่ตั้งมีกายกู้แขนเข้าเหยื่อฉขนออกมีสติอยู่แล้วมันก็ได้ใช่ทันทีกลับมานี่ก็รู้ทันทีแล้วเมันหลงก็รู้ทันทีกลับมารู้มันก็รู้ทันทีคนมุ่งหมดไปอ่านตรงนี้น่ะไม่ใช่ไหมทาไมยังหลงมันหลงตรงไหนก่อนที่มันจะหลงมันไปทางไหนเราต้องเป็นลําดับมัน เหมือนนกจะไม่เมื่อนบินไปแล้วไปดูลอยมันมันก็ไม่มีอะไรอันควรบ่งมันก็ไม่มีลอยอะไรแม้แต่เรารู้นั่นแหะทําไมมันยังทุกข์ทำไมจึงปรุงแต่งไปถึงนู่มันเรื่องอะไรลําดับทําไมจึงเป็นงั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้เศรษฐีไม่มีคําว่าทําไมนี่ต่รู้ไปเลยถ้ายังมีทําไมทําไมอยู่ เป็นทุกขปฏิปัฏฐาหรือว่าสุขปฏิปัฏานหรือว่าอัฏฐิปัฏฐานโยกการบจุขานิการโยกโอนเอถึงเขาโอนเอก็โอนเอไปเลยถึงเขานีบอลทำข้อหมั่พอหลับตาโอนไปเลยอปาปากเหารับงดแรงไปเลยเลยอนเอ การมลราคาเกิดขึ้นอ่อนแอไหวไปครต้องโกรธความอะไรอ่อนเทียงใดที่ผ่านมาเกิดขึ้นก็ไหลไปอ่อนแอ ไ, ไปอันนี้บอกกามั่การมั่งศนึกการุยกอ่อนอขี่แพ้สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์คนขี้แพ้คนไม่เข้มแข็ง โรเป็นโกรดหลงเป็นหลงลักเป็นลักเกียดชังเป็นเกียดชังพอใจเป็นพอใจไม่พอใจเป็นความไม่พอใจเป็นคนอ่อนแอเป็นกา ม, มัาจุขันธิการโยกไม่ต้องไปตั้งมงานที่ไหนมันเกิดจากการภาวะที่ไม่รู้ที่มันเป็นเข้าไปอยิมฐานทโยขคเติมเครียดไม่อยาหเป็นผิดลู่ลงไป เวลามันผิดไม่พอใจไม่อยากให้มันผิดมันพุ่งสร้านไม่ชอบเราชอบความสงบแบบนี้มันผิดมันทุกข์มันผิดไม่ชอบมันทุกข์ดีมันสงบดีมันไม่สงบไม่ชอบเป็นอัถะยาพิบัติอยู่เป็นไปชากทั้งสองอันชอบไม่ชอบไม่อยากให้มันผิดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลายวันแล้วยังเหมือนเดินอยู่ ไม่รู้เป็นกรรมอะไรเอาชิงเอาจังเพ่งลงไปโจงลงไปมือโจงลงไปไม่อยากให้เพี้มาคขี้ยไปลงกลับมาอืมด็กหัวแส่ไปมามือมาติดน้าออเพ่งเงินไปติดมือติดน้าออกยกมือไม่ออกไม่เห็นมาทาวัด ไม่เห็นหมากินข้าวเลยเดินไปดูที่กติกเราเดินไปดูกติกก็อาจารย์อาจารา ย, ย์มาช่วยด้วยมาช่วยด้วยเมื่อผมติจุล่นตั้งแต่ตีสามเลยมันไม่รู้ <laughs> เป็นกำมรมดไหลก็ไม่รู้ของแพงม่ตาแล้วก็แล้วตรวจน้ำแล้วก็แล้ว ไม่นะ่าพุนยากายไม่อุปชาญาโคนุตลอดใจยศประกาศจะมาไม่ออกเลยน้องอาจารย์มาช่วยด้วยมาช่วยด้วยจะยกออกไม่ออกไปไม่ตายก็แล้วตัวเองเป็นกรรมอะไ ร, ระติดอย่เนี้เราก็ไปดูเราไม่ได้ไปแก้ตรงนั้นเลยไปเพว่มมาพ่อใหญ่เขาเป็นโยมนะเราเป็นพระ พ่อใหญ่อมีลูกกี่คนหลานลูกสามคนใครเป็นคนเลี้ยงดูลูกสาวลูกเขยนี่หลานจี่คนมีหลานสามคนหลานสามคนผู้หญิงกี่คนพี่ชายกี่คนผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งใช่หรือเปล่าผู้หญิง หนึ่งผู้ชายสองเดิมหลานเสร็จแล้วไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมโอ้ยลืมแล้วผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนเดียวผู้ชายสองไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เถียงกันเราหลวงพ่อจะรู้เลยก็ผมผมรู้หลานของผมยกมือมาเมื่อเอเมอมา่อมื่อผมรู้เนะ หลันหงผมรู้นะแล้วพ่อไม่รู้อาจารย์ไม่รู้เราเธอเพื่อนเรไปเราก็ดูงงเรายังคุยกันอยู่อ๋อมือพ่อหมกว่าอะไรนะไม่ทามันเพ่งกันปก็ไม่ดีเอาจริงเอาจังไม่อยากให้มันหลงหมดหัวโลมันเสความหลงใจเสพออกมาดูนสมาหัวหัวโลขงหลงหัวโลขมทุกไม่เป็นไรรู้ โลนี่เ็เดือมัดเขมมาปฏิปตาเห็นเป็นผู้ไม่เป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกไม่ใช่เห็นนะเป็นอัถฐเข็มถาโยโ ค, โคตึงเกินไปเขียดเกินไปไม่บรรลุ ธ, ธรรมนะทีที่บรรลุ ธ, ธรรมต้องเห็นนะเห็นมันมาคิดเลยขึ้นมามนเกิดเลยขึ้นมาเห็นมันเบาๆควรำไว า, า, าที่เห็นนะ แยกว่าสุขปฏิปทาจะดวกเงนินรู้ธรรมได้ง่ายอะไรก็ยากไปหมดนับวันนับเดือนไม่รู้อะไรทำไมจักไม่เป็นอย่างนี้อาจจะไม่วญว่าชนะเปรียบเทียบกับคนนอนคนนี้เขาลู้มาสีวัน5วันเขาลู้แล้วเนี่ยบางทีเราก็เคยถูก คนมาทักทายแบบนี้น้าที่บ่ายให้ปังมีเนนน้อยนะเรายังไม่ได้พวดอ้ายอ้ายเจ้ า, จารู้จักุูบน้ำเราไปอ้ยอ้ายยังว่าลูนะแล้วชีวันเราอาทิตย์หนึ่งแล้วอ้ยเนนมาปฏิบัติอาทิตย์เดียวรู้จักลูมน้ำได้ แนยนหน่อยรูปเมืคืนเนี่ยน้ําคืนเนี่ยอธิบายให้ฟังเอาแล้วพอแล้วเน้นพอแล้วอะไจะทําเองหรอกรูปไม่รูปช่างหัวมันเถอะเราช่างไปนี่นะ <laughs> จะไปไป น, นี่นะเนี่ยใช่ไปจําเอากับเขาบอกหรอกอย่างนั้นเนี่ยนี่หาคนมาช่วยไปรู้อะไรไปถามคนนั้นถามนี่ไม่เชี่อหรอกจะทําเองหรอกเอวทําเองแล้วทําเองเ ตัวเองถ้าจําเอาคนอื่นมันก็ง่ายคิดเอาก็ง่ายเป็นกินทะยานไปเลยนี่มันเห็นจริงๆเลเนา น, น่าจะเปรียบเทียบคนรู้จากรูปนามกับที่เขาพูดเกือบสิ่งที่เรารู้จากรูปนามที่เรารู้มันก็ต่างกันอยู่นะจยามุรียาาอาการต่างๆอาจจะรูปแบบจาเอา นี่เราเห็นจริงๆเขาพูดผิดแล้วก็รู้ริงที่เราโอาทิ่งแล้วเขาโอามาใช้อยู่นี่เราจ้จอเอคนรู้จกักผู้นำเลยเป็นอย่างนี้หนอะไม่ใช่หรือเราก็ตอบของเราเองรู้จกักผูดนำไม่เป็นอย่างนี้แหละการนั้นการปฏิบัติธรรมเนะ เอาจากตัวเองลำดับจาก ต, ต, ตัวการกระทำของเราเนี่ยทําเป็นนี้มันเป็นอย่าง น, นี้ขึ้นมาพอมันหลบมันรู้พอมันสุขมันรู้พอมันทุกข์มันรู้ผิดก็รู้ถูกก็รู้มันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้รู้ทั้งรู้รู้ทั้ทงรู้สึกเนาะรู้เป็นสติรู้สึกเดี๋ยวนี้ ปัจจุบันนะเรียว่สสาสองปัญญามันพร้อมกันนะสองอนสมบูรณ์แบบมันก็รู้สึกมือพลิกเนี่ยมีจริงจริงพลิกมืออยู่เนี่ยรู้สึกอยู่นี่คืมีจริงจงน่ยอันที่มันไปทางโน้มันไม่จริงเท่า น, นี่ยนี่มันรู้อยู่เนี่ยนี่มันรู้มันจะไปได้งไง วิธีปฏิบัติที่เราทำอยู่นี้ไม่ต้องไปใช้สมองไม่ต้องไปใช้ความคิดไม่มีการกระทำสัมผัสเอาเอากายมาตอกับสติเอาใจมาตอกับสติถ้ามันมีแล้วตัวที่ถุดให้เห็นดูเห็นนามตามความเป็นจริงมันมันสะดวก อาจจะไม่ต้องเคลื่อนไหวก็ได้เพราะมันเป็นแล้วทําให้มันเป็นอันรูมันต่างหากทําให้เป็นมันต่างหากมันเป็นแล้วมันนม่ใช่รูจอมมันเป็นไม่ได้สอนเหมือนมันเป็นเหมือนวัวเหมือนควายโลหิต โลหอดเกลียนมันเป็นแล้วสิบปียี่สิบปีจำมาใส่โล่ใส่เกียนก็เป็นแล้วไม่ต้องขาดชีวิตเรามันประเสริฐคนนั้นมันเป็นแล้วมันทําได้แล้วมันไม่มีแล้วทำให้ไม่มีแล้วมันจึงเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะความจำมันไม่มีโอกาสลืมไม่มีโอกาสลืมไม่มีโอกาส เป็นอื่นไปอย่างที่เคยพูดว่าถ้าหากว่าเมือ่อสองวันมานี้ไปไม่อเบอ่อจังโคคนตายเจ้าของบ้านตายสองคนออกม่ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาออกจากที่ไม่ได้ไฟไหม ก็ยังแกว่าไม่เป็นไรถ้าพูดได้นะันไม่มีคำว่าชีวทุกข์ก็ขางบนอะไรจาเป็นที่มันจะต้องมีไม่ได้ก็ต้องอยู่แค่นั้นหรือจมน้าลงไปก็ยังจะพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรถ้าเป็นคำพูดนะแต่เป็นภาวะที่มันเป็นไม่ใช่คำพูดเลยนั้นไม่เป็นอะไร แมมันหายเคไไรสามสี่ข้างก็ยังไม่เป็นไรแต่มันพูดไม่ได้อยากจะพูดอยู่มันไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรเป็นส่วนตัวยุเบบรี้ชั่วนาตาปีภาวะไม่เป็นอะไรนะจึงเป็นชีวิตส่วนตัว เนื้ก็ของใครของมันเพราะว่าไม่เป็นอะไรหัดเอาปึกโอทําเอาเราจึงปึกหัดมันจะเข้มแข็งตรงที่มันอ่อนแอมันหลงมันจะไม่หลงไปแล้วมันทุกข์มันจะไม่ทุกข์มันผิดจะไม่ผิดมันถูกจะไม่ถูกอะไรต่างๆนี่แหะคือภาวะที่ดูซื่อเหมือนหลวงปู่เทียนสอน ทั้เจ้าก็สอนอย่างนี้แต่ทุกคนก็ทำได้ไมีอยู่กับเรานี่แท้ๆนะให้มันรูกซื้อมันจะเบ่งบานจเจริญถึงที่สุดเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีมลแงสอนใส่อาจจะงามกว่าต้นที่มนันมีมะแลงสอนใส่ ถ้ายังสุขยางทุกข์เป็นผู้ผิดผู้ถูกตัวไม่เจริญง่ายถ้าเห็นมันผิดเห็นมันถูกเหมือนต้นไม้ที่ปลูกแล้วมันไม่มีอะไรก็งามขึ้นงามขึ้นเ อ, อิบดอกออกผลนานชีวิตของนักปฏิบัติชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อไปเป็นหลไรเมื่อเป็นสุขเป็นทุกข์เมือเ่อผลผิดเป็นถูกเมื่อได้เมื่อไม่เมื่อไปเอาได้ไปเอาไม่ได้ มันไม่ค่อยจเจริญ น, นะมีแต่รูปไปรูปไปรูปซื่อไปเมนมันสุกก็เห็นก็รูปไม่เป็นผู้สุกมันทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เป็นผู้ทุกข์มีแต่รูปซื่อไปรูปซื่อไปก็เลยเสะดวกธรรมชาตินี่จะงอกงามเบ่งบานถึงที่สุดเใยว่าบรรลุธรรมได้เมืเกิดดอกออกขนต้นไม่เกิดดอกออกผนไม่มีอะไรที่ทํำให้ เสียเวลาความหลงก็ไม่เสียเวลาของมสุขความทุกข์ไม่เสียเวลาความอาะไรต่างๆไม่เสียเวลามันพาให้เราสะดวกไปเลยดูซื่อๆดูซื่อๆไปเห็นไปเห็นไปเห็นไปเห็นก็ไม่เป็นไปนี่ก็เคืนี่ก็คือธรรมชาติเบ่งบานมีอยู่ในคนเนี่ยการ เข้าถึงคุณธรรมเบื้องสูง<ส>มีอยู่ในคน <S 2> <S 2> ไม่ต้องไปหาที่อ uh ื่นไม่ต้องไปจัมงมหาที่อื่น ม, มีอยู่แล้วในชีวิตของเราเนี่ยในความหลงมันก็มีความไม่หลงในความทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์ในความเจ็บก็มีความไม่เจ็บในความแต่แก่ก็มีความไม่แก่ในความตายก็มีความไม่ตายถ้ารู้ชื่อๆไป่เนี่ย่เราเบ่งบานถึงที่สุด หมดชิ้นเลยชีวิตของเราเนี่ยถึงจุดหมายปลายทางในความธธรรมุ่งกดทำสูงสุดคือภาะวะไม่เป็นอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่ต้องเป็นอันเป็นไม่สะดวกกันไม่เป็นอะไรกับอะไรเนยมันสะดวกนี่เรีวยกว่าเหมือนต้นไม้ที่เป่งบาน เกิดโตก็ควน่ะชีวิตเราก็เช่นกันต้องควรใจ้เวลา